ตอนความทุกข์วันที่4เมษายน2558ขอากราบน้ำรสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีกัละยาณมิตรทุกท่านนั่งสบายสบายเนาะก็ทุกคืนวันเสาร์นะวันนี้ก็มีคำถาม ไม่เยอะเป็นคำถามเดียวนะแต่เป็นคำถามที่ในเมื่อเราตั้งมั่นปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์จึงขอเรียนถามพวกครูว่าทุกข์คือสิ่งใดกันแน่ทุกคงจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆเราจึงต้องการที่จะพ้นออกจากสิ่งนี้ใช่หรือไม่คะ แล้วก็ต่อไปนะคิดว่าพูดหลุมหลวมกันเลยก็ได้และขอเรียนถามเพิ่มเติมว่าคําว่าทุกในพระไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตากับคําว่าทุกขในอริยบทสี่ในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรขอบพระคุณค่ะเข้าใจว่าพ่อครูเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะก็ไม่เป็นไร ก็เราลื้อฟื้นอีกทีหนึ่งนะพวกเราเนี่ยก่อนจะทำอะไรเราก็ต้องตอบตัวเองได้ว่าเราทำทำไมถูกต้องละคนมีปัญญาไม่ต้องเชื่ออะไรง่ายๆผู้เจ้าก็เตือนเราแล้วว่าอย่าพึ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราอย่าพึ่งเชื่อตําลาอย่าพึ่งเชื่อคำเล่าขานนะอย่าชเชื่อแม้กระทั่งตัวเองเชื่อนะก็ฟังหูไว้หูทำตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์นะ ก็ทดลองทดสอบด้วยตัวเราเองก็คำว่าทุกนี่เป็นภาษาทั่วไปแต่เขาโยงไปถึงอริยสัจสีอันนี้เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมะหลักของพุทธศาสนาเลยนะอันนี้ก็เป็นวิชาการอย่างหนึ่งนะก็โยงสองเรื่องแล้วก็กดพระไตรลักษณ์คือลักษณะสามประการของธรรมชาติคืออันนี้จังทุกขังอนัตตา ก็เป็นวิชาการทางพุทธศาสนาด้วยอันนี้ก็ก็ไม่เป็นไรพวกกูก็เรียบเรียงนะคือให้เราเข้าใจว่าตอนพวกกูอยู่อเมริกาหลังจากคืนนั้นสามชั่วโมงเกิดอาการเหมือนระเบิดก็อยู่บ้านเฉยๆปีหนึ่งไม่ไปทำงานนะอยู่เฉยๆที่บ้านอยู่กับอารมณ์ตัว น, นั้นเพื่อนฝรั่งที่สนิทกันมาก เขาก็เป็นเสียทีนั่นแหละเขาเห็นพอกูเปลี่ยนไปอย่างแรงเขาก็เป็นห่วงเขาก็ศึกษารีบฝึกษาพุทธศาสนาทีนี้เขาก็ไปเห็นอริยสัจสีนี่แหละทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะผู้เจ้าตัดเรื่องพุทธอริยสัจสีคือความจริงที่ยิ่งใหญ่สี่ประการคืออะไรคือตัวทุกอะไรคือเหตุแห่งทุก อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือหนทางไปสู่การพ้นทุกข์พูดแต่เรื่องทุกข์เขาก็ถามพระครูว่าทำไมศาสนาพุทธทำไมขี้ทุกข์จังเลยทำไมต้องมองโลกในแง่ร้ายคือเขาห่วงพระครูพฤติกรรมเปลี่ยนนะสมัยก่อนเราสูบบุหรี่วันหนึ่งสามสี่ซองกินเหล้าทุกยี่ห้อเราเป็นนักการค้าเราโกหกเราคิดว่าเป็นเทคนิคเราเที่ยวเตตามภาษาคนหนุ่ม ศินห้าบอกไม่ให้ทำอะไรทำหมด เ, เรานับถือศาสนาพูดตั้งแต่กำเนิดแต่เราไม่รู้ว่าพระองค์สอนอะไรทีนี้พอพฤติกรรมเราเปลี่ยนเลยเขาสนิทกับพระครูมากเขาก็เป็นห่วงเขาก็เป็นห่วงเขาว่าพระครูก็เลยบอกเขาว่าเวลานั้นไม่รู้พระครูก็ไม่รู้เรื่องศาสนาจริ ง, รงๆนับถือเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธองค์สอนอะไร แต่จิตมันก็ตอบไปว่ า, าศาสนาพุทธไม่ได้มองโลกในแง่ลายาศาสนาพุทธไม่ได้มองโลกในแง่ดีแต่าศาสนาพุทธมองโลกในแง่ความเป็นจริงพระองค์ไปตัดสรู้ว่าเรามีทุกข์เป็นประธานตั้งแต่วันแรกเกิดออกมาก็แหกปากลองล่วนะเด็กมันน่าจะหัวเราะนะดีใจจังเลยฉันเกิดแล้วอิสระ อยู่ในท้องคุณแม่อึดอัดนะเขาร้องไห้ทำไมเหม็นไมเกิดมาวันแรกก็ร้องไห้ล่ะสัญชาตญาณคือญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติเขาจำได้หมายรู้ว่าเกิดทีไรทุกทุกทีพอแก่ตัวมาลุกก็โอยนั่งก็โอยนะจะเดินเร็วเ็ววิ่งเร็วเวเหมือนหนุ่มสาวก็ทำไม่ได้พอเจ็บมาไม่ต้องอธิบายเลย นะทุกลำเค็ญวันที่จะตายถ้าวางไม่หลงยังห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินจะลินทานแล้วมันก็ตายไปหลงก็ทุกข์อีกไม่กี่วันตัวก็แข็งแล้วก็เน่าเหม็นนะก็ อ, อันนี้พ่อครูพูดเขาก็ไม่เข้าใจหรอกเขาบอกว่าทําไมต้องทุกข์อะไรมากมายไปแอนจอยไปหาความสุขสนานเหมือนเก่าได้ไหมพ่อครูบอกตอนนี้นั่งเฉยๆก็สุข ไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปพึ่งอะไรเลยสมัยก่อนมันเบื่อปุ๊บก็บินไปลัสเวกัสไปเล่นการพนันไปกินเหล้าฟังเพล ง, พงเต้นลําให้มันลืมความเบื่อนะพอกลับมามันก็เบื่อเหมือนเก่ามันไม่ใช่สุขแท้แต่ในเวลานั้นน่ะปีหนึ่งนั้นไม่ต้องออกไปไหนเลยนะก็สุขสุขทุกวันสุขเพราะมันไม่ได้กังวลอะไรเลยตัวเราก็ไม่มีนะแต่พูดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจนะั่นแหละ นะยี่สิปีก่อนที่พ่อครูย้ายจากเมืองนอกมาอยู่บ้านนอกที่นี่ไม่ใช่บ้านด้วยเป็นป่านั่งเรือข้ามมาไม่มีถนนเพราะถนนไปถึงหมู่บ้านใหญ่ตอนนั้นไม่มีสะพานข้ามมารถเข้ามาไม่ได้นะนะไม่มีไฟฟ้าอยู่สิบเอดปีไม่ใช่จากเมืองนอกมาอยู่บ้านนอกนะมาอยู่ป่าสิบเอ็ดปีไม่มีไฟฟ้ามาอยู่แบบชีวิตสงบเย็นบังเอิญเจอคุณยายคนหนึ่ง ตอนนี้แกเสียชีวิตไปแล้วล่ะก็ไปนั่งคุยกับแกบอกคุณยายสบายดีไหมเขาเป็นคนอีสานเขาบอกว่าทุกข์หลายบอกเป็นอย่างคือทุกข์แกบอกมันยากจนมันยากจนนะ<ม> เ, <อ>เขาเขาแปลคาว่าจนไปว่าทุกข์พรา ก, กูบอกคุณยายจนไปว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าทุกข์รวยไปว่ามีเยอะไม่ได้แปลว่าสุข พ่อคูยากรวยมาแล้วคนรวยยิ่งยากยิ่งกลัวไปหมดเลยกลัวสู้เขาไม่ได้กลัวจะแพ้เขากลัวจะถูกป้นถูกจี้กลัวถูกจิตก็ถูกโกงนะยากรวยถ้าเรารวยไม่เป็นก็ยากถ้าเราจนไม่เป็นก็ยากเพราะเราแปลผิดเราแปลคำว่าจนคือยากจนนะจนไปว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าทุกข์ซะหน่อยหนึ่ง รวยไปว่ามีเยอะก็ไม่ได้ไปว่าสุขซะหน่อยหนึ่งเราแปลผิดนคนอื่นเขาสอนเราไม่ใช่เขาตั้งใจหลอกเรานะเขาก็ถูกความคิดผิดเขาหลอกทุกคนยากหมดก็อธิบายให้แกกันไม่เข้าใจหรอกบอกบก็มันจนมันคือยากอ่ะมันจนก็คือไม่ดี <S <S <นะ S 1> จริงๆแล้วพ่อครูมาเมื่อ6ปีก่อนถามว่าที่นี่มีคนจนไม่จนหมด เพราะก็ไม่ได้ทุกอะไรนะแต่ภาษาบอกเขาเขาถูกสอนว่าถ้าจนแล้วมันยากตอนนั้นเขาเขาเายังไม่ได้ยากอะไรนะแต่เขาคุ้นเคยคำว่าถ้าจนเนี่ยคือไม่ดียากจนจริงๆแล้วจนไปว่าไม่มีหรือมีน้อยรวยเพราะว่ามีเยอะเหลือล้นพอแล้วตอนนี้คนอันดับหนึ่งของโลกเขายังไม่พอเลยแสดงว่าเขายังยอ้อนเขายังจนอยู่เขายังไม่รวย เขายังไม่พอมันจนมันรวยก็เป็นแค่สมมุติว่าเออคนนี้มีเงินน้อยเรียกว่าคนจนคนนี้มีเงินมากเรียกว่าคนรวยเขาไม่ได้บอกว่ารวยแล้วเป็นเป็นเป็นคนมีความสุขเขาไม่ได้บอกว่าเป็นจนแล้วเป็นคนมีความทุกข์ไม่ได้พูดแต่เราเข้าใจอย่างนั้นเองนะก็ยี่สุบกปียังทันทุกคนจนหมดแต่เขาก็ไม่ได้ทุกอะไรมากมาย แต่หลังจากบ้านเมืองพัฒนาขึ้นมามีถนนเข้ามาปุ๊บนะโอเคออกไปตลาดได้แล้วไปขายของได้แล้วเนี่ยเพราะคูเคยไปเก็บเห็ดในป่าแถวนี้นะโอ้ยดีใจมากในโลกนี้มีอาหารทิพไม่มีสารเคมีแล้วก็ไม่ต้องซื้อเธอไปเธอก็ได้ฉันไปก็ได้ทุกคนมามีอาหารกินหมดแต่หลังจากถนนเข้ามาแล้วทีนี้ไม่ใช่ไปเก็บเห็ดนะ่ะคนอีสานบอกไปไต่เห็ด ก็คือว่าจุดไฟไปก่อนเพื่อนเห็นปุ๊บเก็บหยับล้างผานเลยเพราะเอาไปขายได้คนมาใส้สายไม่มีจะกินแล้วตอนนี้มันศูญพันธุ์หมดแล้วไม่มีเห็ดให้เก็บละถ้าจะกินเห็ดต้องเพาะเห็ดมีต้นทุนมีกําไรมีขาดทุนแล้วแล้วก็มีสารตกค้างแล้วไม่ใช่ธรรมชาติวิถีเปลี่ยนไปหมดนะพัฒนาจนเขาจนอยู่ดีๆของเขาเนี่ยมาส่งเสริมให้เขา กลายเป็นคนยากจนตอนนั้นจนอยู่เฉยๆนะจนอยู่ดีๆแต่ตอนนี้ทำไมยากจนละ่ะเพราะความอยากรวยไงก็ไปกู้หนี้ยืมสินมามาลงทุนแล้วก็ขาดทุนตอนนี้ยากจนละตอนนี้จนแบบยากละเพราะเป็นหนี้เขาไม่จ่ายไม่ได้ถูกยึดที่ยึดทางไปตอนนี้เป็นยากเป็นคนยากจนจริงๆสมัยก่อนเป็นแค่คนจนเฉยๆพเพราะกูเห็นการพัฒนาพัฒนาการของสังคมทุนนิยมวัตถุนิยม นะเขาเขาอยากจะรวยเหมือนกันเขาก็มีกิเลสเห็นมมันกระตุ้นให้เขาไปกระตุ้นให้เขาแล้วสุดท้ายเขาเาก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนเขาไม่ไดเรียนวิชาอะไรบริหารเงินไม่เรียนวิชาทาธุรกิจเขาก็เลยเป็นเหยื่อตอนนี้เลยกลายเป็นคนยากจนจริงๆนะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทีนี้ แล้วเราพูดชัดๆดีกว่าและวไอ้ตัวทุกข์นี่เมื่อกี้คําถามเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มีรูปลักษณะเป็นอย่างไรมันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรมันมีตัวตนจริงๆเหรอใช่ไหมอันนี้เราต้องตั้งโจทย์นะเพราะเราถูกสอนว่ามาปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์นะเพื่อนพราะูเป็นฝ่อหลังทุกข์อะไรกันนักหนาเงินก็เต็มบ้านเลย ไปเที่ยวไหนก็ไปได้ยังไงทำไมต้องไปทุกข์ขนาด น, นี้ตอนนั้นพ่อครกูก็ไม่รู้แ่ะรู้แต่ว่าตอนนี้มันไม่ทุกข์นั่งอยู่บ้านเฉยๆปีหนึ่งมันไอความสุขที่เราสัมผัสนั้นความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระมันไม่กังวลอะไรเลยไม่มีอะไรห่วงเลยเห็นไหมเหมือนศูนย์ตอนนี้น่ะยี่สบกปีมาอยู่ที่นี่นะไม่มีรั้วรอบขอบชิดนะมั่นคงมากเลย เพราะคุไม่มีความรู้สึกว่ามันมีของหายแม้แต่ยิดหนึ่งมันอาจจะหายทุกวันก็ได้แต่ไม่ใช่ของเราไงเราไม่ต้องกังวลเลยเรามีเงินเท่าไหร่ก็แบ่งปันคนจนไปหมดแล้วที่นี้เขาจะเอาไปใช้บ้างก็ดีไงก็ได้ทำบุญสี่สิบปีไม่เคยรู้สึกมั่นคงเลยนะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอกลัวแพ้คนอื่นแต่ยี่สปีที่นี่เนี่ยสงบเย็น มั่นคงทุกวันทุกๆในาทีนะทีนี้ไอ้ตัวทุกเนี่มันมีอยู่จริงหรือไม่เราตเราตั้งคำถามนะคำถามที่ดีมากเพราะว่าศาสนาพุทธเราไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเป็นคนชั่วเป็นคืออัตตาศาสนาพุทธสอนให้เราพ้นทุก <นะ S 1> ทีนี้โจทย์ ใหญ่มากศาสนาพุทธไม่ได้สอนอย่างอื่นนะสอนแต่ว่าอะไรคือตัวทุกอะไรคือเหตุแห่งทุกอะไรคือความดับทุกขอะไรคือหนทางไปสู่การพ้นทุกพูดเรื่องความสุขมีอย่างเดียวเท่านั้นนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งวันนี้เราพูดเรื่องทุกอย่าเพึ่งพูดเรื่องสุขนะเราถึงมาตั้งโจทย์ว่าเราทำไมต้องมาเสียเวลาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร น, ะนี่คือโจทย์ในวันนี้นะทีนี้พกครูก็โยงเนื่องจากว่ามันเป็น ไม่ใช่วิชาการทางศาสนาเฉยๆนะเป็นอริยรสัจสี่ความจริงที่ยิ่งใหญ่สี่ประการที่พระเจ้าตรัสรู้แค่นี้นะส่วนแตขแขนงเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นธรรมะย่อยๆเป็น 100, 000, ร้อยเล่มพันเล่มก็ช่างนั่นอันนี้นเป็นธรรมะย่อยธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้มีอยู่แค่นี้นะเพราะพระองค์ไปตรัสรู้ว่าเรามีทุกข์เป็นประธานวันแรกเกิดมาเราถึงร้องไห้นะทีนี้ คำถามว่ามีอยู่จริงหรือไม่ทีนี้พระครูก็ไปดูว่าอริยสัจ ส, สี่ที่ผู้ยตัดไว้เนี่ยที่ว่าเขาก็แปลว่าความจริงที่ยิ่งใหญ่สี่ประการมันต้องย่อมมีอยู่จริงสิไม่งั้นพระเจ้าไม่ตัดทีนี้อริยสัจ ส, สีนี่คืออะไรคืออะไรกันแน่ไอ้ทุกข์ในที่นี้เนี่ยมันคืออะไรนะจริงๆแล้วทุกขในอริยสัจ ส, สีเนี่ยนะ ถ้าพื้นฐานของความมนุษย์ทุกคนทุกนี่เราเกิดมาปุ๊บเราก็ทุกเพราะแก่เจ็บตายพระเจ้าก็บอกว่าถ้าทุกโดยธรรมชาติมันเนื่องด้วยกระแสะกรรมเก่านั่นแหละเราอยากก็ชั่งเราไม่อยากก็ชั่งเราไม่อยากเกิดอีกกระแสะกรรมยอมไหมไม่ยอมนะอยากเกิดให้มันดีขึ้นอะไรเราเลือกได้ไหมไม่ได้นะพระเจ้าไปตัดสลุวิชาที่สองคือจุตุปาตยาน ยากรู้ได้ว่าได้การเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมไม่ใช่ยมบาลที่ไหนพระเจ้าที่ไหนเนี่ยมากำหนดชีวิตเรานะทำไมเกิดเป็นผู้ชายทำไมเกิดเป็นผู้หญิงทำไมเกิดมาไอคิวสูงทำไมเกิดมาไอคิวต่ำทำไมเกิดมาพ่อมีพันล้านทำไมเกิดมาพ่อมีหนี้สินกรรมเป็นตัวกาหนดเพราะครูจะโยงให้เราเห็นนะโอเคเราเนื่องจากกรรมของเราสร้างมาทำให้เรามาเกิดอยู่ในร่างนี้อันนี้ถือว่าบุญเยอะแล้วนะ เรามีกรรมสองอย่างกรรมชั่วกับกรรมดีถ้าเราไม่มีกรรมชั่วเราก็ไม่ได้มาเกิดอีกแน่นอนเรามีแน่ๆถ้าเราไม่มีกรรมดีเราก็ไม่ได้เกิดอยู่ในร่างมนุษย์ผู้ประเสริฐโดยเฉพาเป็นคนไทยมาเจอพุทธศาสนาอันนี้เรามีบุญเยอะมากมายอยู่แล้วนะแต่กรรมเราก็มีทีนี้ถ้าเราเกิดมาตามกรรมเราก็จะมีเาเรียกว่ามีทุกพื้นฐานคือทุกพ่แก่เจ็บตาย ถ้าทุกแค่นี้ผู้เจ้าก็บอกว่าเครื่องมือในการดำรงชีวิตเราเนี่ยมีแค่สี่อย่างนะมีแค่สี่อย่างนะออคือปัจจัยสี่มีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคมีอาหารแค่นี้เราก็อยู่ตามความสุขตามอัตภาพแล้วก็ใช้นี่กรรมไปนะแต่ตอนนี้พอเราเกิดมาปุ๊บ คนที่รักเราที่สุดเขาก็ตั้งชื่อที่เขาเรียกแล้วเขามีความสุขลูกบัญชาเธอชื่อบัญชาเพราะพ่อแม่ชอบชื่อนี้โดยที่ท่านมาถามเราเวลานั้นเราก็ตอบไม่ได้เราเป็นเบบีเราเป็นเด็กทาลกเขาก็ให้ชื่อเรามาว่าบรรชาและแถมศาสนามาด้วยพุทธนะลูกพ่อพ่อแม่ว่ามันดีนะพ่อแม่นับถือมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ให้เราเป็นพุทธ ให้เรานับถือพุทธโดยที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรบางทีปากก็นับไปมือก็ถือไปไม่รู้ว่าคืออะไรและเขารักเรามากเขาห่วงอนาคตเรามากเขาก็ส่งเราไปเรียนรู้วิชาสร้างอนาคตเราเลยกลายเป็นสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเป็นเราไม่เคยรู้เลยว่าเราเป็นใครเรากลายเป็นบัญชาล้นะอันนี้คือสิ่งปรุงแต่งแล้ว ทีนี้เราไปเรียนวิชาสร้างอนาคตเขาบอกว่าเล่นเก่งๆนะแล้วก็หาเงินเยอะๆแล้วก็รวยแล้วจะมีความสุขตอนนี้เราถูกใส่โปรแกรมเข้าไปแล้วใส่ไอ้ความรู้ผิดซึ่งมันแฝงด้วยโลภโกรธหลงตอนนี้ก็สนุกแล้วแทนที่จะมาเกิดมารับนี้กรรมพื้นฐานเราก็มาสร้างกรรมใหม่อีกแล้วนะเริ่มจ้นจากว่าเรามาปรุงแต่ง ลูกกินอันนี้นะอร่อยนะอร่อยนะลูกเพราะคุณแม่รักลูกมากอยาให้ลูกกินเยอะลูกแข็งแรงนะแล้วก็ติดรสชาติมันอันนี้ก็สวยนะลูกอันนี้สวยนะนี่สวยนะอันนี้ดีนะอันนี้เพลงนี้เพาะเพาะนะเพาะเพาะนะกลินแบบนี้เขาเรียกว่าหอมนะอันนี้เหม็นนะทั้งทั้ที่ว่าน้ำหอมน้ำหอมเพอร์ฟนะูมน่ะที่แพงที่สุดในโลกหัวน้ำหอมนั่นผลิตมาจากขี้ ผลิตมาจากสิ่งที่เหม็นที่สุดเอากลิ่นมันเลงสุดแล้วมาปรับปุงให้มันหอมที่สุดทีนี้เราก็โดมนะเออกลิ่นนี้เขาเรียกว่าหอมเราก็ชอบห้อมหอมนะเราก็มาสร้างเรื่องกามอันดับแรกเรามาพัฒนากิเลสตัวเองให้เราไปติดที่กาง ม, มาคุณห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันนี้เราสร้างขึ้นมาทีหลังนะ นะอันนี้สร้างกามแล้วก็มาสร้างตัวตนเราเป็นบรรชานะเราเก่งเราเหนือกว่าคนอื่นนะเราภูมิใจในความเป็นของเราเนี่ยสร้างภพขึ้นมาแล้วกลายเป็นอัตตาขึ้นมาแล้วอันนี้คือภพและวยิ่งเรียนเยอะๆเราก็มีทิฏฐิหลงว่าเราเก่งกว่าคนอื่นแล้วก็กลายเป็นคนมีทิฏฐิมานะ เห็นไหมแล้วทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดเพราะอะไรเพราะเอาวิชาความรู้ผิดที่เขาใส่โปรแกรมให้เรามานะความรู้ว่าชนะถึงจะดีแพ้ไม่ดีรวยถึงจะดีจนไม่ดีสี่อย่างนี้นะเรียกว่าอาสวะกิเลสทีนี้สี่อย่างนี้เนี่ยมันก็พัฒนากลายเป็นบ่มเพาะเป็นสังโยชน สังโยชน์สิบประการนะพวกคูเคยบรรยายเรื่องนี้แล้วแต่วันนี้จะไม่ลงรายละเอียดนะคือถ้าเรามีทุกตามธรรมชาตินั่นเราก็ทุกไม่เยอะเหมือนทาสานเน่ะหิวก็กินง่วงก็นอนมีแค่ที่อยู่อาศัยนะเออเวลาเราไม่สบายสมัยก่อนเขาก็ไม่ต้องซื้อนะใบไม้สมุนไพรนี่ก็แก้ได้นะ ที่อยู่อาศัยนะไม่ใช่คฤหาดคํคำว่ากินดีอยู่ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่ากินแพงหรืออยู่แพงนะทุกมันไม่ได้ดีอ่ะกินดีอยู่ดีกินแต่อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราไม่ใช่ไปกินส่วนเกินกินไขมันกินไอ้อะไรขึ้นนะอันนี้เขาเรียกว่ากินแพงอยู่บ้านหลังใหญ่หลังละร้อยล้านพันล้านต้องสร้างกรงเหล็กเหมือนห้องขัง เขาไม่มีความรู้สึก ม, มั่นคงเลยกลัวโจรมาป้นอันนี้ไม่เรียกว่าอยู่ดีอันนี้เรียกว่าอยู่แพงนะทาซามมันอยู่ต้นไม้นะมันไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะมันไม่มีศัตรูมันไม่เคยทะเลาะ ก, กับลิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขารู้สึกมั่นคงมากเห็น ไ, ไหมแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเรามีอวิชชาเรามีความรู้ผิดเข้าไป นะพวกเราเนี่ยเป็นคนไทยเราก็ใช้ภาษาไทยมาคิดคนจีนก็ใช้ภาษาจีนมาคิดฝรั่งก็ใช้ภาษาฝรั่งมาคิดภาษาเนี่ยบ่งบอกนิสัยภาษามนุษย์สร้างขึ้นมันไม่มีโดยธรรมชาติธรรมชาติไม่มีภาษาตอนนี้จบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกคุยกันไม่รู้ภาษาด็อกเตอร์คุยกันไม่รู้เรื่องทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองเห็นไหม เพราะอะไรเพราะเราหลงภาษาภาษาไทยเหมือนกันแปลไทยเป็นไทยไม่เหมือนกันขัดแย้งกันแต่ชาวนาสอนควายไถายนาได้เพราะมันไม่ใช้ภาษามันจิตสื่อจิตเนี่ยยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้เราใส่ความรู้ผิดเข้าไปเพราะความรู้นะั้นมันแฝงด้วยโลภโกรธหลงแฝงด้วยความเห็นแก่ตัวแฝงด้วยความโง่ โง่ไหมคนที่คิดคนที่ด่าเขาคนที่จะไปเอาเปรียบเขาเนี่ยเป็นคนโง่อย่างยิ่งเพราะเป็นการสร้างกรรมใหม่เป็นหนทางเดินไปสู่นรกนี่คือคนโง่อย่างยิ่งแต่ในทางโลกเราสอนว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องเก่งต้องชนะเท่านั้นเราก็ทุกเพื่อต้องการชนะทีนี้ทุกในเรียสัตว์สีเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะผู้เจ้าบอกว่าทุกมันเกิดขึ้นเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวตัณหาตัวสมูทัยเนี่ยคือตัวตัณหาทีนี้ที่มาของตัณหาก็คือตัวกิเลสกิเลสทําให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดอุปทานอุปาทานทําให้เกิดทุกข์เมื่อเกิดตัณหาแล้วมันก็ไปสร้างกรรมหรือว่าไปต่อสู้เพื่อเพื่อจะสนองความโลภของตัวเองตัวตัณหานี่ทําให้เกิดความโลภ ตัวมาณนะทําให้เกิดความโกรธนะตัวทิติทําให้เกิดความหลงนะมันก็บม่มเพาะกลายเป็นสังโยชนิสิทเนี่ยทีนี้ทุกโดยธรรมชาติเนี่ยไม่พอแล้วแล้วก็มาเพิ่มทุกใหม่เพิ่มกรรมใหม่เห็นไหมกรรมเก่าบวกกรรมใหม่ก็คือผลทุกในยัสสีเนี่ยเป็นทุกข์ซึ่งเกิดจากกรรมใหม่ทีนี้ทุกในยัสสีนี้เป็นจริงไหม มันจริงจริงเหรอว่ามันไม่จริงมันไม่จริงพระเจ้าตัดทำไมมันมีทุกแต่ว่าทุกนี้ต้องเกิดด้วยมันมีเหตุของมันอยู่จากตัณหายกตัวอย่างนะมันไม่จริงนะมันเป็นแค่อุปท า, านอย่างสมมติว่าในกรเนี่ยพว ก, กูสั่งเอาทุเรียนเปิดออกมาเอาทุเรียนสุกๆเลยนะมาตั้งไว้ตรงนี้ทุกคนต้องกินอย่างนี้ไปไหน ในกองมันเกียดทุเรียนมากมันได้กลิ่นก็จะสลบแล้วแต่มันถูกฝืนให้กินในกอทุกข์มากทุกข์เพราะได้กินทุเรียนแต่ในขอนี่ชอบทุเรียนเป็นชีวิตจิตใจเลยมีความสุขมากเห็นไหมถ้าความทุกข์มันเป็นจริงมันต้องทุกข์เหมือนกันหมด ทำไมในกอเนี่ยทุกมากในขอมีความสุขเห็นไหมทุกในยรยศาตร์สีเนี่ยมันเป็นทุกซึ่งมีต้องมีเหตุของมันอยู่ทุกคนมีตัณหาที่ต่างกันนะมันเกิดจากผู้เจ้าบอกทุกนี้เกิดแน่ๆถ้าคุณมีตัณหาทีนี้ตัณหามันเกิดจากกิเลสอยู่ที่ว่าเราบ่งพอกิเลสอย่างไรเราเคยชินเรากินทุเรียนบ่อยๆเราก็ติดทุเรียนแล้วก็กิเลสเราชอบทุเรียนเราก็อยากกินทุเรียน S <S <an> <S เมื่อเราได้กินทุเรียนแล้วอุปทานก็เกิดเราก็รู้สึกเรามีความสุขแต่ถ้ากิเลสเราอุ้ยเหม็นเลยทุเรียนเหม็นมากลมเลยบางอย่างมาใกล้ๆกุมเอาไปไกลๆเลยนะราบ่งพ่อกิเลสเราเห็นไหมเราก็ไม่มีความอยากกินทุเรียนแต่ถ้าเราถูกบังคับให้ต้องกินทุเรียนเนี่ยเราเกิดทุกข์แล้วอยากก็ทุกข์ไม่อยากก็ทุกข์ถ้าอยากกินทุเรียนแล้วเขากินต่อหน้าเขาไม่แบ่งให้เรากินเราก็ทุกขนะ์นะวิภวะตัณหาถ้าเราไม่อยาก เธอบังคับเธอต้องกินนะต้องเท่าเทียมกันนี่นะมันก็ทุกตันหากับพิพัฒนาเนี่ยคือที่มาของทุกแสดงว่าทุกขในอริยสัจสี่เนี่ยมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นอุปทานแต่ไม่ใช่มันเกิดเกิดขึ้นไม่ไม่มันเกิดขึ้นได้จริงเกิดขึ้นจริงแต่เกิดเนื่องด้วยเรามีอุปทานเพราะเรามีตันหาที่ต่างกันนะ น, นแแีแม่นแม่นนะ ก็คือว่าอริยสัจสี่มัอยู่จริงผู้เจ้าไปเห็นแล้วเหตุแห่งทุกข์เพราะเรามีตัณหาตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเรามีกิเลสนะกิเลสทําให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดอุปท า, านอุปาทานทําให้เกิดทุกข์นะพ่อครูไล่ไปเรื่อยๆนะให้ทุกคนบางที ภาษาทำลดตอบตรงๆเลยว่าไอ้ไอทุกข์มันแปลว่าอย่างนั้นไอ้มันแปลว่าอย่างงี้มันไม่ได้หรอกมันต้องชี้ให้เห็นหลา ย, ลายฝ่ายและเราก็ต้องปฏิบัติลองดูไปเข้าไปถึงมันแล้วเราจะรู้ว่าเอ อ, อทุกข์จริงๆมันคืออะไรนะมันพูดด้วยภาษามันได้แค่พูดภาษามันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นทีนี้ตามหลักจิตวิทยาเนี่ยเขาเรียกกฎแห่งกรรมนี่ว่า กฎแห่งการลงโทษความผิดโดยธรรมชาติพราะกูเริ่มต้นจากว่าเราเกิดมาชาตินี้ผู้เจ้าว่าอริสัตย์สีคือ เ, เรื่องปัจจุบันว่าเราเราทุกเหตุแห่งทุกคือเราเกิดตัญหาเพราะเรามีกิเลสแล้วทาไมเราเกิดล่ะเราก็ไล่ไปกับพกกรรมเราถึงมาเกิดใช่ไหมทีนี้พ ก, กูก็เอาเรื่องกรรมเป็นประธานนะเพราะชีวิตเราไม่ใช่เรื่องชาติเดียว มันมีที่มาที่ไปของมันอยู่เพราะเรามีกรรมเราถึงได้มาเกิดพอเกิดปุ๊บเราเผลอเราก็สร้างกิเลสใหม่ก็สร้างอัญหาใหม่สร้างอุปทานใหม่ก็ไปสร้างกรรมใหม่นะทีนี้ในทางจิตวิทยานั้นเขาเรียกกฎแห่งกรรมนี้ว่ากฎแห่งการลงโทษความผิดโดยธรรมชาติภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า principle principle of thalian นะหมายถึงการกระทำความผิดใดๆย่อมมีผลงานตอบสนองความผิดนั้นๆโดยทางตรงทางอ้อมที่เท่ากันเสมอไปกรรมแบ่งเป็นสองลักษณะคือกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วเกิดจากอารมณ์ของจิตใจเป็นมูลเหตุเมื่อจิตใจถูกแรงลบเล้า ด้วยอารมณ์ภายนอกอันเป็นกิเลสตัณหาก็จะเกิดความตั้งใจหรือจงใจกระทํากรรมขึ้นทันทีกรรมเช่นนี้จะประทับไว้ในจิตใจอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าประทับจิตติดวิญญาณไม่ใช่โยมพบาลเป็นคนมาจดไว้นะจิตเราบันทึกเองเราไปอยู่ในป่าเราไปอยู่ในห้องน้ำคนเดียวดี ด, ดไม่ต้องไปกระทั่งกรรมกับใครเลยนั่งกรรมาฐานปึ๊บ คิดถึงในกอคิดในถึงในขอมีความพยาบาทเกียดชังมันเนี่ยคนอื่นไม่รู้นะจิตเราบันทึกตัวเดียบร้อยแล้วอันนี้เราหลอกจิตเราไม่ได้นะไม่ใช่ยมพบาลที่ไหนมันนั่งจดว่าในกอทำชั่วสิบครั้งทำดีแปครั้งจดไม่ไหวหมดมอดแต่แล้วตัวก็มีดวงจิตจิตใครจิตมันบันทึกเองนะมันประทับจิตติดวิญญาณเหมือนเงาตามตัวเรากลายเป็นวิบาก ซึ่งรอวันส่งผลเท่านั้นเองนะก็เริ่มต้นจากกิเลสทำให้เราสร้างกรรมกรรมนี้ก็ส่งผลกลายเป็นวิบากกรรมถ้าเรากรรมเฉพาะหน้านี่อย่างตํารวจทหารเนี่ยเขาไปทําหน้าที่นะเขาไปยิงศัตรูยิงอะไรเนี่ยถ้าเขาไม่มีเจตนาเขาเําทหน้าที่เขาเนี่ยนะนะลูกปืนไปยิงนะไปฆ่าเขาไม่ได้ฆ่าอะไรเลยนะแต่ถ้าเขายิงปึกพิะะใจเขาดีใจบันทึกเลย เหมือนพระระหันเดินมาในศูนย์เนี่ยอาจจะเหยียบมดตายหลายตัวเนี่ยแต่ท่านไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ถ้าเรามดมาตัวเดียวเราบี้มันเนี่ยนะบันทึกเต็มเต็มเลยกรรมชี้เจตนาอันนั้นกรรมเฉพาะหน้านะทีนี้ไอ้กิเลสกรรมวิบากเนี่ยมันจึงหมุนเวียนไม่รู้จักจบสิน้นวิบากกรรมก็ส่งผลแล้วเนี่ย เราก็สร้างกิเลสใหม่อีกสร้างกรรมใหม่ก็ส่งผลวิบากนี่คือเวียนว่ายตายเกิดผู้เจ้าทุบกบอกอย่าประมาทวัฏฏะสงสารน่ากลัวมากนะทุกในเริสสต์สจึงเกิดมาจากตันหาที่มาของตันหาก็มาจากกิเลสกิเลสทําให้เกิดตันหาตันหาทําให้เกิดอุปทานอุปทานทําให้เกิดทุก ซึ่งเป็นทุกข์ซึ่งเกิดมาจากการสร้างกรรมใหม่ด้วยตัณหาไอ้ที่มีแค่ปัจจัยสี่จึงไม่เพียงพอสนองตัณหาเราได้เราต้องดิ้นนนนขวันขวายนะแล้วก็ไปทุกข์เพื่อจะสร้างอนาคตเอาชีวิตเราไปทุกข์เพื่อสร้างอนาคตเราไม่ได้ทำงานเพื่อชีวิตเราเอาชีวิตเราไปทุกข์เพื่อสร้างอนาคตอนาคตเราหมายถึงมีเงินเยอะๆวันที่จะตายจากไปยังห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สิน ตายไม่ลงทุกอีกวินาทีนั้นทุกมากน่ยไอร้รมสุดท้ายนั่นเป็นตัวส่งผลให้เราอยู่อยู่ในล่างที่ดีขึ้นหรือเลวลงที่พระครูพูดมาทั้งหมดนี่บอกไม่เชื่อไม่เชื่อพิสูจน์ได้ยังไงพิสูจน์ได้ไหมฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเรล่าตถาคตพิสูจน์ได้อากาลิโกไม่จังปฎการเวลาหรือสถานที่ นะตาบใดที่มีผู้คนอยู่ในมักในทางเนี่ยไม่ละเวน้นพระลานมันเป็นเรื่องของสากล น, นะทุกที่เกิดในเรียสสีจึงไม่ใช่ของจริงแต่เป็นแค่อุปทานของจิตซึ่งต้องรับวิบากรรมนะเมื่อกี้พระครูก็ยกตัวอย่างแล้วนะในกในขอกินทุเรียนเหมือนกัน คนหนึ่งทุกข์มากคนหนึ่งมีความสุขแต่ไม่ใช่มันไม่มีจริงนะแต่มันต้องเกิดขึ้นเนื่องจากเรามีตัณหาแต่ถ้ามันเป็นทุกข์จริงๆเนี่ยทุกคนต้องทุกข์พร้อมๆเพียงกันไอ้ทุกข์จริงๆก็คือว่าเราเกิดมาพุทเราก็แหกปากลองนั้นอันนั้นทุกข์จริงๆเกิดมาจากกรรมแต่ทุกอเลยสัตตสีต้องเกิดจากเรามีกิเลสมีตัณหาเราสร้างกรรมใหม่ไหม อันนี้เป็นทุกข์ที่เกิดจากอุปทานก็ทุกในอรยศศีที่ถามพระครูว่าทุกยศศีกับทุกในทุกขังในพระไตลักษ์ต่างกันยังไงนะทุกในยศศีในจึงอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษ์เช่นเดียวกันคําว่าทุกข์มันก็เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตามันไม่เที่ยงทุกในอริยศศีเราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากทุกนั้นให้มันพ้นทุกหรือเปลี่ยนจาก ทุกให้มันสุกก็ได้มันไม่จีหลังยั่งยืนมันคือกฎพระไตรลักษณ์นะทุกนิยสสีมันก็คืออยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะคือมันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่เที่ยงนะส่วนทุกขังในกฎพระไตรลักษณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ มันเป็นความจริงอย่างยิ่งอีกกี่ล้านปีล้านชาตินั้นใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันคือกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติมันคือของจริงนะคำว่าทุกขังในที่นี้ไม่ได้แปลว่าทุกขซึ่งตรเงินข้างกว่าตัวสุขนะทุกขังในกฎในกฎพระไตรลักษณ์เนี่ยมันคือดําลงอยู่ได้ยากมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายเหมือนไอ้แก้วน้ําใบนี้มันสามารถอยู่ได้ล้านปีได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นทุกขัง มันดำรงอยู่ได้ยากอันนี้ไม่ใช่ทฤษฎีที่ใครคิดขึ้นมามันเป็นความจริงที่พระเจ้าไปตัดสรุปมาทุกขังในกฎพระใจรักนี่เปลี่ยนไม่ได้แต่เราหนีมันได้แต่เราหนีมันได้เราหนีออกจากวัฏตะสงสารนี้นะกฎพระใจรักนี่ก็ไปครอบงำเราไม่ได้ นะเขาเป็นความจริงซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้คือสัจธรรมความจริง<ม>คือเขาเป็นความจริงซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่ใช่สมมุติบัญญัติที่มนมุษย์สมมติขึ้นอย่างกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยเห็นไหมเราตกลงกันเขาเรียกว่าวกฎหมายเหตุนะเราตกลงกันว่าเอาอย่างนี้นี่นะมันเป็นกติกาบ้านเมืองนะเป็นเป็นข้อตกลงเป็นสมมุติบัญญัติเห็นไหมพอโลกมันเปลี่ยนนะ เราก็มาแก้กฎหมายใหม่ได้เพราะมันไม่ทันสมัยเห็นไหมอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่กฎพระไตรลักษณ์นี่ผู้เจ้าไม่ได้สร้างขึ้นผู้เจ้าไปตัดสรุปมากฎนี้นี่มีอยู่แล้วตั้งแต่เจ้าชายยืนถะจะประสูตรอีกผู้รู้เจ้าทั้งหลายก่อนหน้านี้อีกยี่สิบเจ็ดพระองค์ในสายพูดเราเนี่ยก็ไปตัดสรูปสิ่งนี้มาเพราะมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติอันนี้คือสัจธรรมความจริงใครก็เปลี่ยนไม่ได้นะ ก็าให้เข้าใจความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้นะเหมือนร่างกายมนุษย์เนี่ยย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกฎพระไตรลักษณ์เราเห็นคนแก่คนหนึ่งเดินมาอายุเก้าสิบหลังโกงนะเดินเร็วก็ไม่ได้บอกโอ้ยสงสารนะเออเออเราสงสารเห็นไหมไอ้เจ้าตัวฉันเชิอห้ามแก่นะฉันไม่อยากแก่เลยแก่ทุกข์มาก เธอห้ามเจ็บด้วยฉันไม่ชอบคนเจ็บมันร้องโอยโวเนี่ยฉันก็ไม่ชอบด้วยคนตายลูกหลานก็ร้องไห้คนที่จะตายดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยมันทุกข์ทรมานมากฉันเห็นกับตาเลยไอ้ตัวฉันเธอห้ามตายนะมันฟังเราไหมมันไม่ฟังเราเห็นไหมมันไม่ใช่ของเรามันเป็นเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันเป็นของชั่วข่าวแล้วมันเป็นทุกขขังมันดำรงอยู่ได้ยาก มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานภาพของมันเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงนี่แหละคือกฎพระไตรลักษณ์ถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะไม่มีตัวตนเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นที่อาจารย์บุตตธาตบอกว่าตัวกูของของกูอา้าวถ้ามันเป็นตัวกูจริ ง, รงๆเราก็สั่งมันได้ทีไอ้เจ้าตัวฉันนะ่ะเธอห้ามแก่นะเธอห้ามเจ็บนะเธอห้ามตายนะเราสั่งมันไม่ได้มันไม่ใช่ของเรา เพราะมันต้องเป็นไปตามกฎทีนี้กฎพระไตรลักษณ์นี่เราเปลี่ยนไม่ได้แต่เราหนีมันได้เรามีทางเดียวที่จะไม่ต้องเจอมันอีกกฎพระไตรลักษณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าอุ้ยธรรมชาติโหดร้ายจังเลยนะมั่นกันแล้วพรุ่งนี้จะแต่งงานกันแล้วเมื่อคืนเกิดอุบัติเหตุตายคาที่ทําไมธรรมชาติโหดร้ายจังไปโทษธรรมชาติอีกไม่เห็นกรรมตัวเองนะธรรมชาติไม่ได้โหดร้ายเขา เขาเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เขามีเมตตาเยอะมากแต่ทุกคนต้องเป็นไปตามกรรมนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนมากำหนดชีวิตเรานะอันนี้ต้องให้เข้าใจว่าแล้วทำไมต้องทุกข์มากตอนนี้เราหนีทุกข์นะชีวิตเราเนี่ยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมชีวิตเราไม่เห็นทุกข์บางคนมาบอกพระครูว่าฉันไม่ทุกข์เหมือนคุณหมอคนหนึ่ง หลายปีก่อนมาที่นี่อายุเพิ่งสี่สิบต้ น, ต น, ตนมีลูกสองคนกาลังน่ารักภรรยาคุณหมอมาจากจังหวัดมาปฏิบัติวันสุดท้ายคุณหมอมารับคุณหมอหน้าหน้าตามไม่ดีเลยเพราะว่ามันไกลแล้วตอนนั้นถนนก็ยังไม่มีขนาดที่ทำไมต้องมาอยู่ไกลนามุกดาหารก็มีที่ปฏิบัติทำไมต้องมาไกลขนาดนี้คุณหมอก็ถามว่าคนไหนเป็นอาจารย์นะเพื่อนหมอด้วยกันก็มา พามหาพกักูแกเป็นนักยาศาสตร์แกกระใส่เลยว่าขอโทษ น, นะพรครูถามหน่อยว่าทําไมต้องปฏิบัติธรรมถามสั้นๆพระักูก็ตอบสั้นๆเพื่อพ้นทุกข์คุณหมอแกบอกว่าแกไม่ทุกข์แกพอใจสิ่งที่แกมีมีรถสองกันมีลูกเมียที่น่ารักเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมีคลินิกส่วนตัวด้วยตอนเช้าก่อนจะไปทำงานบริหารโรงพยาบาลก็ไปเปิดคลินิกชั่วโมงหนึ่งก็เอา กินข้าวในรถพอเสร็จแล้วก็ไปบริหารโรงพยาบาลตอนเที่ยงก็กินข้าวในรถไปเปิดคลินิกชั่วโมงหนึ่งก็เอาตอนบ่ายก็บริหารโรงพยาบาลตอนเย็นก็มาบริหารคลินิกอีกไม่ให้มันรวยรู้ไปเพราะไม่มีเวลาใช้เงินแล้วพอเหนื่อยมาบางทีเรื่องนิดเดียวเองทะเลาะ ก, กับเมียเมียก็เป็นพยาบาล น, นะเอ่ โรงพยาบาลก็เหนื่อยคลินิกก็เหนื่อยแต่เนื่องจากความอยากได้เงินของเราไงเพราะเหนื่อยมาไม่มองหน้ากันสามวันแล้วถามว่าแล้วเราจะไปหาเงินไปทําไมหาเงินมาทะเลาะกันเหรอพวกครูก็เลยถามมาคุณหมอรักลูกคุณหมอไหมรักสิคุณหมอเตรียมอะไรให้ลูกบ้างแกก็มองหน้าเตรียมอะไรเหรอวันไม่ใช่แช่งนะ อยากก็ตายไม่อยากก็ตายกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายวันที่เราต้องตายเนี่ยทำไมคุณหมอปล่อยให้คนที่คุณหมอรักมานั่งร้องไห้นอกจากเตรียมเงินเตรีย ม, ยมทองให้มันซื้อลงศพเรารักมันจริงเหรอบังเอิญแกมีปัญญาเก่าแกก็กร่าบพ่อคูแกเขียนในบันทึกเยี่ยมของโรงเรียนของของศูนย์นี่รุ่ น, นแรกๆเลยนะแกบอกแกมา รู้ชีวิตที่นี่หลังจากเขาปฏิบัติแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนตอนนี้คลินิกก็เปิดเหมือนเก่าแต่ไม่เอาเป็นเอาตายเหมือนเก่านะสมัยก่อนเงินเต็มบ้านก็ปล่อยกู้ด้วยใครไม่จ่ายปุ๊บฟ้องแต่ตอนนี้คนจนไม่มีเงินมารักษาฟรีเลยไม่ใช่รายได้ลงไปน้อยลงไปนะคนไข้ ย, ยิ่งเยอะขึ้นแต่ว่าทาแบบไม่เครียดไงตอนนี้ชีวิตในครอบครัวดีขึ้น เห็นไหมคือให้ได้อภัยได้เขาเข้าใจชีวิตแล้วเห็นไหมเรียนจนจบหมอแล้วเขบอกเขารู้เพิ่งมารู้จากคําว่าชีวิตอยู่ที่ศูนย์พลานคอยที่ว่าบางครั้งเราจะไปเชื่อมั่นในความรู้เรานะว่าเรารู้แล้วเราก็รู้นั่นแหละรู้วิชาที่เราเรียนมานะแต่เราไม่รู้ชีวิตเราบริหารชีวิตตัวเองยังทุกข์อยู่กับการแสวงหาอยู่นะยังคุยกับลูกเมียคนที่เรารักไม่รู้เรื่องเห็นไหม เพราะเราไม่เคยเรียนวิชาชีวิตศาสนาพุทธเราสอนวิชาชีวิตชีวิตเราพอตื่นเช้าขึ้นมาลืมตาก็เห็นแปรงสีฟันยาสีฟันเห็นเสื้อผ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นสามีภรรยาเห็นบ้านเห็นช่องเห็นการเห็นงานเห็นเงินเห็นทองพอกลางคืนหลับตาลงไม่เห็นอะไรเลยเหมือนคนตาบอดทุกวันทุกวันก็เป็นเช่นนั้นเราไม่เคยเห็นตัวเองเลย เมื่อเราไม่เคยเห็นตัวเองเลยเราทำไมจะไปรู้วันเราตัวเองเป็นใครมาจากไหนเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนไอความสุขจริงๆนี่ละรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรเรารู้ไหมทุกคนเรียงเก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วคิดว่าจะมีความสุขพวคกูเคยถามเด็กหลายคนตัวความสุขมันเป็นแบบไหนวาดให้พวกกูดูหน่อยหนึ่งมันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรวาดไม่ออกสักคนหนึ่ง เมื่อคุณไม่รู้ว่าความสุขเป็นอย่างไรแล้วคุณจะไปคิดว่าคุณจะเจอมันเหรอมันเป็นเป้าหมายเลื่อนลอยก็ส่วนผู้เจ้าบอกให้เราว่าแล้วทำยังไงเราหลงสร้างกรรมมาตั้งหลายภพหลายชาติแล้วเราจะมาจ่ายหนี้กรรมในชาตินึงมันจะหมดได้ยังไงเห็นไหมคำถามนี้ดีนะ ในแงต่ต ก, กะละ่ะก็มีเหตุผลแน่นอนถ้าเราไม่มีทำอะไรเลยบางคนบอกว่าพวกครูบอกว่าสัตว์โลกย่อมไ ป, ไปตามกรรมก็ปล่อยไปตามกรรมสิปฏิบัติทำทำไมเอ๊ะฟังเหมือนมีเหตุผลเหมือนกันนะกรรมเก่าบวกกรรมปัจจุบันนี่คือผลบุญเก่าบวกบุญปัจจุบันคือผลเช่นเดียวกันถ้ากรรมปัจจุบันเนี่ยเรามาักง่ายเหมือนปลาน้าจืดนี่มันมักง่าย มันลอยตามกระแสน้าจืดลงไปมันไม่ต้องว่ายทวนกระแสนะมันลงทะเลมันตายหมดถ้าเราเป็นไปตามกรรมกรรมปัจจุบันเราเลือกได้ที่เราจะทวนกระแสหรือเปล่าถ้าเรารู้ว่าลงทะเลเราตายหมดแล้วก็ขยันทวนกระแสนั่นเป็นทางรอดไม่ใช่ไปโยนให้กรรมเก่าฝ่ายเดียวนะบางคนไม่กล้าคิดนะมีผู้การท่านหนึ่งมาจากระยองมาคุยกับ พ, พ่อครูก็อายอายอยู่ว่า คือแน่นอนตำแหน่งหน้าที่บางทีเราจะเผยเนาะไปทําร้ายคนหรืออะไรที่นี้พวกคูบอกผู้การชาตินี้พวกเราคงไม่เลวร้ายเท่ากับองค์ะนะงคุริมาเนาะองค์คุริมาฆ่าสัตว์ไหมฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเขายังบรรลุทําได้ถ้าไปคิดว่าเราทําไม่ดีแค่นี้อเนาะโอ้ถ้าไปบวกอีกหลายชาติเนี่ยไม่ต้องคิดเลยไม่กล้าคิดเลยนะ ทำไมองคุริมาในชาติสุดท้ายน่ะฆ่าคน999 99ยังบรรลุทําได้ถ้าจะอ่านพระไตรปิฎกก็อ่านให้มันครบอย่าไปอ่านเฉพาะหมวดที่เราชอบทุกคนสร้างมาทั้งหมดทั้งกรรมดีกรรมชั่วไม่ต้องสงสัยถ้าเราไม่มีบุญเยอะๆนี่เราก็ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนะไม่ใช่ธรรมดานะนะไม่ใช่เทวดาทุกองเนี่ยจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะ ไม่มีทางนะบางทีเสพกรรมดีนั้นเกิดมาเป็นสัตว์ก็ได้เป็นอะไรก็ได้ไม่ใช่ต้องมาเป็นมนุษย์นะเราไม่ใช่ธรรมดาอย่าดูถูกตัวเองส่วนในกรรมชั่วนี่ไม่ต้องห่วงทุกคนทามาหมดแล้วล่ะแต่ให้เรายอมรับไหมถ้ายอมรับนี่วิชาแรกที่พระเจ้าตรัสรูเนี่ยก็คือบุพเพนิวาสานุสติยานยานรู้ว ด, ด้วยการระลึกชาต พระ อ, องค์ไปเห็นสมัยเป็นพระเวสสันดรเป็นอะไรเห็นเยอะแยะเลยทั้งกรรมดีกรรมชั่วสร้างมาเยอะทีนี้พระ อ, องค์ก็ไปเห็นว่าวิชาที่สองตัดสู้ว่าทาไมเกิดมาลูกฝาแฝดนี่นะเนี่เหมือนกันหมดเลยทำไมไนี่ขี้แยนี่ไม่ขี้แยไอ้นี่ครบสารสิบสองประการนี้ไม่ครบนะดเเหมือนกันเลยพ่อแม่เดียวกันนอ้ววิทยาศาสตร์ตอบสิพระ อ, องค์ก็ไปตัดสั้สิ่งนี้ วิชาที่สองคือจตุปาตยานยานรู้ว่าได้การเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนมากําหนดชีวิตเรากรรมเป็นตัวกําหนดแน่นอนพิสูจน์ว่าเราชาตินี้เราเกิดมาเป็นร่างมนุษย์เนี่ยกรรมดีเราต้องเยอะมากกว่ากรรมชั่วแน่นอนมันเป็นบทพิสูจน์แล้วไงตอนอยู่อยู่ในร่างมนุษย์ ร, ศรศูปเปิดทีนี้พระองค์ก็ไปตัดสรุนั่นแหละหลงสร้างกรรมมาตั้งหลายชาติจะมาใช้ชาตินี้มันจะหมดได้อย่างไร วิชาที่สามเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวในโลกใบนี้ในศาสนาเดียวผู้เจ้าไปเจอวิธีพาะเจ้าไปเห็นว่าต้นเหตุที่เราสร้างกรรมเนี่ยเนื่องจากเรามีอาสวะกิเลสเห็นไหมเมื่อกี้ พ, พ่อครูไล่ให้ฟังกิเลสทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปท า, านนะก็ทำให้เราไปสร้างกรรมก็ทำให้เราเกิดทุกข์เราต้องรับกรรมผล น, นั้นทีนี้พระองค์ก็ไปตัดสั้วิชาว่าด้วยการ กำจัดอาสะวะเกลียดคือวิชาที่สามคืออาสะวะขยะยานยานรู้ว่า้วยการกำจัดอาสะวะเกลียดก็ ค, คือมักมีองค์8แล้วก็ง่ายๆไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต้องไปเข้าคอร์สเรียนนะเรียนไปท่องจำปหนึ่งจำเสร็จปุ๊บลืมหมดเลยเขามาประเมินความจำกันปีหน้าไปท่องจำปอสองเรียนถึงเรื่องขยะเรื่องไร้สาระเราจังอุตสาห์ทุ่มเทไปตลอดชีวิตลงทุนลงแรง ไปเรียนแล้วก็เรียนก็ทุกออกมาทางานก็ยังทุกอยู่กเกษียณก็ยังทุกอยู่และยังทุ่มเทตลอดชีวิตเลยแต่ผู้เจ้าสอนง่ายๆไม่กล้าคิดเพราะเราคิดว่าเราชั่วไม่เราคงไม่ชั่วเท่ากับองคุลิมานแน่นอนนะทุกคนมีสิทธิ์แต่กรรมก็ส่วนกรรมไอ้กรรมชั่วก็กรรมชั่วเราจะทำบุญไปล้างบาปไม่ได้ องคุริมานถ้าหนีไม่ออกจากวัตฏะสงสารไม่ทันนะไอ้เก้าร้อยเก้าบ้าชีวิตบวกกับของเก่าอีกไม่รู้กี่ชาติหนึ่งชีวิตต่อหนึ่งชาติเรามีหน้าที่เพ่นมันนีออกจากวัตฏะเป็นทางเดียวที่กระแสกรรมมันไล่บี้เราไม่ได้ไม่ใช่ไปทำบุญล้างบาปบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปเราต้องหนีจากนี้มันเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถานเนี่ย วันวิสาขาบูชาพระองค์ตัดสรู้ทำเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทำไมพระองค์ไม่ไปอยู่เมืองนิพานทำไมยังอยู่ในร่างเจ้าชายสัญญาทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาอีก 45, สี่สิบห้าปรู้อย่างนิพานอยู่ตรงไหนสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพานอยู่ในจิตเรานี่แหละเป็นแม้กระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าแห่งพุทธกรรมมันไม่หยุดนะ ยังโดนเทวทัตเล่นงานเลยเห็นไหมแต่กระทบไม่กระเทือนคือพระองค์ไปหยุดกรรมคนอื่นไม่ได้ขณะพระองค์ยิ่งใหญ่มากเป็นเจ้าแห่งพุทธะแต่ไอกรรมที่มันฝังอยู่ในจิตเขาเนี่ยเขาก็ต้องพยาบาทเราแต่มันกระทบแต่จิตเราไม่โง้ที่จะไปไปรับกรรมจะไปทุกข์กับมันเห็นไหมนอกจากวันไหนเราละสังขารแล้วเนี่ยไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดในสามโลกกับทานนี้กระแสกรรมมันก็ไล่บี้เราไม่ได้เหมือนองค์คุลีมานนั่นแหละนั่นแหละ ถ้ามา999ไปหลงผิดว่าถ้าหนึ่งพันเนี่ยครูบาอาจารย์จะสอนวิชาพิเศษจะไปโปรดพรามารมาดาไปโปรดไมไม่ไปโปรดแม่นะไปเข้าใจว่าค่าให้เขาตายไวัยเขาจะหมดเวรหมดกรรมเลยดยจะไปโปรดแม่ตัวเองพอเดินไปถึงครึ่งทางทางการก็มีหมายจับตายมหาโจรองคุลิมานผู้เจ้าเห็นวาราจิตองคุลิมานสร้างบุญมาเยอะเลยแต่คิดไปฆ่าข่าเขาเป็นวิบากกรรมร่วม พระ อ, องค์ก็เดินไปเดินขวางไว้นะพระ อ, องค์เดินช้าๆองคุริมานเดินวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งไม่ทันองค์คุริมานบอกหยุดหยุดหยุดยุดยุดพราะพุทธองค์บอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองค์คุริมานหยุดได้ยังไงท่านยังเดินอยู่พุทธองค์บอกเราหยุดทําความชั่วแล้วแต่ท่านยังทําอยู่คํานี้องค์คุริมานดวงตาเห็นทำเพราะบุญเก่าก็ไปการาบพระพุทธองค์พระ อ, องค์ก็บวชให้มหาโจรองค์คุริมานเห็นไหม ทุกวันนี้ศาสนาเราคนชั่วมึงกูไม่รับไม่ใช่เรามีหน้าที่เปลี่ยนคนชั่วให้มันเป็นใ ห, ให้มันดีองค์คุริมาลออกไปบินทบาทก็ถูกลูกเมียเขาเนี่ยโยนหินหัวล่างข้างแตกแต่พระองค์ยอมรับกรรมนั้นกระทบไม่กระเทือนเห็นไหมเราหยุดกรรมเราได้เราไม่สร้างกรรมอีกต่อไป แต่เราหยุดกรรมคนอื่นที่เขาบันทึกสัญญาที่เขาเกียดชังเราไม่ได้ยกตัวอย่างนะทุกคนคงมีประสบการณ์ชีวิตนี้เราเกิดมาเราเจอในกอไม่เคยรู้จักกันเลยเนี่ถูกชะตามากเลยเจอในขอมันไส้มากเลยโดยไม่มีเหตุผลอะไรเนี่ยวิทยาศาสตร์ตอบชี้ถามว่าทําไมมันเป็นวิบากกรรมเก่าเป็นสัญญาเดิมถ้าเราไม่รีบล้างมันออกนี่นะมันจะแบกข้ามภบข้ามชาติความเกลียดชังมันจะกลายเป็นพยาบาท อิสราเอลยิงปาเลสไตน์ปาเลสไตน์ยิงปาเจตไต้มึงฆ่าพ่อกูมึงฆ่าลูกกูกูต้องแก้แค้นถ้าไม่หยุดนะต่อไปลูกหลานมันก็ต้องตายต่อไปวิธีแก้ง่ายนิดเดียวก็คือเอาโหสิกรรมถ้าฟังผู้ทีเจ้าโลกนี้สงบอย่าไปลื้อฟื้นว่ามึงถูกมึงผิดอย่างนั้นองค์คุริมานมันรู้ว่าทำไม่ได้นะอย่าไปลื้อฟื้นว่ามึงถูกมึงผิดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยไปขึ้นศาลเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำสำนวนไปอายการก็ทำสำนวนไปในกอตีในขอพยานหลักฐานชัดเจนศาลก็ตัดสินว่าในกอผิดแน่ๆแน่ใจยังไงศาลไม่เคยเห็นในกอในขอตีในกอ่อมันไม่ได้เกิดขึ้น ล, ลอยๆเหตุเกิดผลจึงเกิดเหตุดับผลจึงดับเวรยอมรับด้วยการไม่จองเวรไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างเกิดขึ้นเลยลอยสตรีขั้นหนึ่งขับรถไปยางระเบิดชายชะกันห้าคนขับรถมาแก้ปัญหาให้ อีกท่านหนึ่งขับรถไปยังระเบิดเวลาเดียวกันที่เดียวกันคนละวันเท่านั้นเองชายชะ ก, การห้าคนขับรถมาฆ่าข่มขืนอุบัติเหตุทั้งสองอย่างนี้ถามว่าทําไมคนนี้รอดทําไมคนนี้ตายเราเข้าใจว่าบังเอิญบังเอิญอุบัติเหตุไม่ได้แปลว่าบังเอิญไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญอุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดจําไว้ ไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญทำไมวันนี้พวกเรามาที่นี่ไม่ได้บังเอิญวิบากกรรมทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบมันเงื่อนไขเวลาด้วยถ้าไม่ถึงเวลามันไม่ส่งผลมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆพะครูอยู่อเมริกาอยู่ดีๆเอาหล่ะเลิกหาเงินแล้วก็เสพสุขสิบ้านอยู่กรุงเทพก็มีเชียงใหม่ก็มีในเมืองอุบลก็มีมาอยู่ในป่านี้ทาไมมันมีวิบากกรรมเรื่องสถานที่ด้วย มันไม่ได้เกิดขึ้นเลยลอยอย่าไปคิดหาเหตุผลนะถ้าคิดปุ๊บเราจะบ้ามีอย่างเดียวคือเป็นบ้าเนาะคิดอย่างไรก็ไม่รู้หลวงปูด่ดุลเป็นคนพูดแต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องคิดก่อนเมื่อเราคิดก่อนเราถึงได้มาที่นี่เมื่อมาที่นี่แล้วเรื่องจิตวิญญาณอย่าไปคิดคิดอย่างไรก็ไม่รู้ก็คือลุยอย่างเดียวปฏิบัติอย่างเดียว Le ARNING BY DOING เรียนดูด้วยการปฏิบัติจริง เจ้าชายสิทธัตถะไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยพระองค์เริ่มจากปฏิบัติก่อนลองถูกลองผิดอยู่หกพรรษาเมื่อตัดสั้นุทำเข้าสู่ปฏิเวกเอาสิ่งที่พระองค์รู้พระองค์เห็นมาบอกกล่าวกลายเป็นบันทึกปริยัติเกิดขึ้นทีหลังผู้เจ้าทุกบอกอย่าพึ่งเชื่อตำราภาษามันหยาบเกินไปที่พูดปุ๊บทุกคนเข้าใจกันถ้าเข้าใจกันไม่ต้องไปรบกวนท่านตำรวจไม่ต้องรบกวนท่านอายการไม่ต้องรบกวนศาลไม่ต้องมี ก็มันแตกไม่ไม่เหมือนกันไงเห็นไหมภาษามันหยาบเกินพี่จะแต่สิ่งที่พระเจ้าตัดสูนั้นคือความจริงอย่างยิ่งแต่สิ่งที่พระองค์ทรงสอนเป็นเป่งวาจาเป็นภาษาแล้วพระองค์จึงบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อตำราอย่าเพิ่งเชื่อแต่พระองค์ใช้ภาษามาบอกเราว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นทรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต เมื่อเราเข้าถึงธรรมแล้วเราจะเข้าใจสิ่งผู้เจ้าตรัสรู้เพราะสิ่งนั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้อีกกี่ล้านปีเข้าถึงตัวนั้นก็อันเดียวกันมันก็เป็นอนิจจังทุขังอนัตตาเหมือนกันมันเป็นความจริงตามธรรมชาติใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะก็ให้เราเข้าใจเพราะยุคนี้เนี่ยความรู้เรามันเกิดขึ้นจากองค์ภาษาทั้งนั้นแหละมันเป็นแค่วิชาการ มันเป็นแค่วิชาการไม่ใช่ถูกหรือผิดมันเป็นความรู้ซึ่งเป็นกลางๆแต่ถ้าเราเข้าใจความรู้นั้นผิดนะั่นเป็นความชั่วร้ายอย่างยิ่งความรู้นั้นวิชานั้นนะ่ะถ้าเราเข้าใจผิดเราไปหลงมันเนี่ยกลายเป็นอวิชาาตันตีเป็นความรู้ผิดนะทีนี้ก็ก่อนจะจบนะเพราะคูก็เรียบเรียงให้ดูนะเริ่มจากกรรมแต่กรรมไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะ กรรมในอดีตมันเกิดจากเรามีเกลียดตัณหาอุปทานเนี่ยเราก็สร้างกรรมนะพอเราตายปุ๊บไอ้กรรมนั้นส่งให้เรามาเกิดอยู่ในร่างอย่างนี้ร่างอย่างนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเป็ดอสุรกายเป็นเทวดานั่นไม่ใช่ยมพบาลที่ไหนมากําหนดว่าให้เราเกิดเป็นอะไรกรรมเป็นตัวกําหนดนะทีนี้พอเกิดมาแล้วถ้ากรรมมันแรงมันก็ให้เรามาเกิดสมมุติว่าเกิดมาในครอบครัวที่เป็นโจรที่กขาบอกผลไมาห้หล่นไม่ไก่ต้นนะ อันนี้เป็นทฤษดีซึ่งใกล้เคียงแต่ว่าไม่เสมอไปนะเหมือนบังเอิญว่าแอปเปิลต้นนี้มันหล่นลงมาปึ๊บบังเอิญมีผู้ดีคนหนึ่งเนี่ยนะเขาเก็บแอปเปิลตัวนี้ไปในสิ่งแวดล้อมใหม่ไปปลูกใหม่นะมันก็เปลี่ยนได้นะถ้ามันมีบุญอยู่นะกรรมปัจจุบันนี้เปลี่ยนได้แต่ส่วนมากเนี่ยถ้ากรรมมันหนักแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาเสวยกรรมมันตัวนั้น ถ้าเราไม่ทวนกระแสกรรมนั้นเราก็เป็นไปตามกรรมแน่นอนนะก็จากกรรมทำให้เราเกิดจากเกิดปุ๊บเราก็มาปรุงแต่งกิเลสขึ้นมากิเลสคือความเคยชินามาติดใจในกรรมมาสร้างภพสร้างทิฏฐิมานะแล้วก็มาเรียนรู้อวิชชานะไอ้ี่อย่างนี้ก็ขยายเป็นสิบอย่างเป็นสัญโยชนนะไอ้สัญโยชนเนี่ยมันก็ทาให้เราเกิด แบบนิวรณต่างๆเพื่อขวางกั้นทางเดินเราปฏิบัตินะคือคืออันนี้คือฝ่ายที่เราสร้างกรรมพวกครูก็เคยบรรยายฝ่ายที่เราสร้างกุศลนะก็คือบารมีสิบนะเอาตัวนี้ให้มันชนะสังโยชน์สิบนะพวกเราโชคดีมากบุญเยอะมากได้เกิดมาในมาเจอมาเจอคำสอนพุทธเจ้าเลยไม่ต้องไปสแสวงหาใหม่อยู่ที่ว่าเราจะทำไหมนะ ทีนี้ไอ้สังโยพสิทธ์เนี่ยสรุปคร่าวๆหมายถึงกิเลสที่ผูกหมูสัตว์โลกไว้ในภพทั้งสามให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่หรือผูกไว้กับกองทุกข์เช่นเกิดแก่ตายเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆเพราะกิเลสเหล่านี้ผูกไว้ไม่ให้หลุดพ้นไปได้นะก็ สังโยชน์สิบก็อ่านให้ฟังนะหนึ่งสักกายทิฏฐิสองวิจิกิจฉาสสีลัพระพต า, ามาตสกามลาคะห้าปฏิฆะหรลูปลาคะเจดอลูปลาคะ 8. ดมานะ 9. อุทจัจฉาสิบอวิชานะก็พวกนี้ก็ทำให้เรา เกิดตันหามานะทิติแล้วก็ทำให้เราเกิดมีความโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงก็ทำให้เราไปสร้างกรรมใหม่กรรมใหม่ก็ส่งผลให้กลายเป็นวิบากกรรมนะทีนี้ไอ้ไอ้ขบวนการขับเคลื่อนขบวนการตรงนี้เนี่ยต้องใช้พลังของปฏิสัมมุิบาทนะแล้วก็ไปอ่านเอาเองนะส2บสองขั้นตอนนั้นโอเคอ่านให้ฟังมีบันทึกไว้หนึ่งอวิชา สองสังขารสามวิญญาณสี่นามรูปห้าสลายตนะหกพัสสะเจ็ดเวทนาแปดตันหาเกอุปทานสิ 10, บภพสบเอชาติสิบสองลามรณนะสโสกะปริเทวทุกทุกขะธมมนัสะอุปะยะัปสยาสะก็คือสุดท้ายก็จบอยู่ที่ทุก ขบวนการมันจบก็คือทุกพวะครูชี้ให้ดูว่าขบวนการทีนี้ธรรมะย่อยคะแนนไปเยอะมากเยอะมากนะอ่านก็จะไปิดกเล่มนี้นะตรงนี้จําได้ก็ไปลืมตรงนั้นอ่านตรงนั้นก็ไปลืมตรงนี้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาพุ๊เราจะลิงก์ให้มันเชื่อมโยงไม่มีแแม้แต่หนึ่งสูตรเนี่ยไม่เชื่อมโยงกันพรนะผู้เจ้าเป่งออกมาเนี่ยไม่มีแม้แต่หนึ่งสูตรไม่เชื่อมโยงกันนะอยู่ที่ว่า วิบากกรรมเราสร้างมาไม่เหมือนกันจริตเราไม่เหมือนกันเราต้องพบผลกรรมไม่เหมือนกันเราต้องใช้ธรรมะไม่ได้ว่าจริตไม่เหมือนกันต้องใช้เทคนิคที่ไม่เหมือนกันนี่คือคําว่านานาจิตปังนะทีนี้ก็สุดท้ายก็คือเมื่อกี้พูดมันมีวิญญาณสองอย่างนะวิญญาณในปฏิสุบทบาทเนี่ยเป็นปฏิสนธิวิญญาณเป็นปฏิสนธิวิญญาณ มันเกิดขึ้นมันมีหน้าที่เชื่อมต่อวิญญาณอื่นๆนะวิญญาณนี้เกิดเกิดจากสังขารและก็อวิชานะมันก็เชื่อมโยงไปถึงสิบสองขั้นตอนนะวิญญาณในในปฏิสมุติบาทเนี่ยเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณส่วนวิญญาณในขันห้าเรียกว่าวิญญาณขันนะเกิดดับ เกิดดับเกิดปุ๊บ ก, ก็ดับเกิดปุ๊บ ก, ก็ดับมันทำหน้าที่ไปนั้นก็จบนะส่วนจิตจริงๆนี่ไม่เกิดไม่ดับนะขันวิญญาณขันในขันห้าเนะี่ยมันเกิดดับนะเหมือนเรานอนหลับสนิทนั่นแหละวันที่เรานอนหลับสนิทบางทีเด็กมันร้องไห้เราไม่ได้ยินตอนนั้นวิญญาณมันดับนะวิญญาณในขันห้ามัมนดับ มันไม่ทําหน้าที่พอมันตื่นอยู่ปุ๊บนะพอมันได้ยินปุ๊บนะพอเขาด่าแล้วปุ๊บรูปเสียงด่านั้นคือรูปจะได้ยินเสียงคือนามมันเกิดมันก็ดับแต่เราไม่เห็นว่ามันดับรูปเกิดปุ๊บเวทนาเกิดแล้วมันลงใจทันทีเลยนะสัญญาเกิดที่เราบันทึกไว้ว่าเราไม่ชอบถูกด่านะสัญญาที่บันทึกไว้ว่าเราเหม็นขี้หน้ามันอยู่แล้วไอ้นี่ยังมาลบกกวนฉันเนี่ย นะสังขารเกิดมันคิดปรุงแต่งแล้วเธอด่าฉันฉันเสียเปียบไม่ได้ฉันต้องด่าเธอคืนวิญญาณเกิดทันทีนั่นคือวิญญาณในขันพอวิญญาณในขันสร้างกรรมปุ๊บวิญญาณในปฏิสมุทบาทนี่ก็ขับเคลื่อนวัตตะสงสารเลยนะมันลิงกันหมดนะเพะียงแต่ว่าวิชาการเขาแยกให้เราเห็นเป็นหมวดเป็นหมู่จริงๆแล้วมันไม่ได้แยกมันอยู่ด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละ แต่แง่วิชาการเขาแยกให้เราเห็นชัดทีนี้เราปฏิบัติทำหรือไม่ใช่ไปเอาเรื่องทีละอย่างทีละอย่างนะนะก็ใช้เวลาผสมควรธรรมดามันมียาธิธรรมไม่หลงชื่อขอให้พ่อคูอ่านธรรมะอะไรของเขานี่พ่อคูคิดว่ายังไม่ลบกวนเวลาเอาไว้โอกาสหน้าจะอ่านให้ฟังก็เราใช้เวลาปฏิบัติเราจะได้ไปพักผ่อนสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณภษีรัตนาไต